เวทีคณะระบำตารลังอยู่ประชันหน้ากับเวทีของรถไต่ถังเมื่อคนทั้งสี่ไปถึงจึงปรึกษาหารือกันอีกครั้งว่าจะดูอะไรก่อนดีผมว่าดูระบำก่อนตีตัวขึ้นไปรำวงกันซักรอบแล้วค่อยไปดูรถไต่ทังคุณปถมเป็นต้นความคิดดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องเบียดกับคนอื่นดูสิ คนแน่นเที่ยวคุณกันเทียงสนับสนุนพลางบุ้ยปากไปทางเวทีรถไถถังซึ่งคนดูแน่นขนาดตกลงงั้นผมจะไปซื้อตัว๋วคราวนี้ผมเป็นคนเลี้ยงบ้างคุณประพ์ขันอาสาและเดินไปซื้อตั๋วรำวงมาสี่ใบราคาใบละหนึ่งสลึงประเดี๋ยวผมจะเป็นคนจ่ายค่าดูรถไถถัง คุณเจริญพูดขึ้นเพราะเป็นคนไม่ชอบออกเปรียบใครอยู่แล้วในบรรดาสี่หนุ่มคุณกัญเชียงนับว่ายากจนที่สุดเห็นใครๆเขาก็จ่ายกันโดยเฉพาะคุณปถมนั้นเพิ่งจ่ายให้เท่าแก่โรงน้ำชาประยกๆเป็นเงินถึง20สิบบาทคุณกัญเชียงจึงเสนอว่าผมเลี้ยงขนมพกคุณก็ละกันประเดี๋ยวจะซื้อข้าวโพดขวดกับ ข, ข้าวเกรบเว้าเลี้ยง หรือจะให้แถมน้ำแข็งกดคอลาแทงก็ได้ผมช่วยออกค่าน้ำแข็งกดคุณเจริญรีบบอกด้วยรู้ว่าเพื่อนไม่ค่อยมีเงินซื้อตั๋วรำบงได้แล้วก็ต้องยืนรอคิวอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงเพราะคณะระบำตารังขายดีกว่าเพื่อนระหว่างที่ยืนรอก็ดูคนอื่นเขารำกันไปพลางๆพวกคนขี้เมารำไม่ค่อยสุภาพ และจดจ้องจะเอารัดเอาเปรียบสาวรำวงพวกหล่อนจึงต้องคอยระมัดระวังตัวมิให้คู่เต้นมาถูกต้องของสงวนคุณเจริญรู้สึกขวางหูขังตาขี้เมาสามคนที่รำสเปะสปะและแสดงกริยาไม่สุภาพกับสาวรำวงอุปนิสัยของหนุ่มน้อยเป็นคนรักความยุติธรรมไม่ชอบรุกรานก้าวร้าวผู้ใด แต่ถ้าใครแหลมมาก่อนก็สู้ไม่ถอยเหมือนกันและแม้จะเห็นคนอื่นรุกรานคนอื่นก็ทนดูไม่ได้ต้องเข้าไปช่วยเหลือตามวิสัยคนรักความยุติธรรมเสียงเป่านกหวีดหนึ่งครั้งเป็นสัญญาณหมดเวลาของรอบนี้ผู้ผู้ชายที่รอคิวอยู่เดินขึ้นเวทีทางด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งพวกที่หมดรอบพากันเดินลงขี้เมาสามคนไม่ยอมลง คุณเจริญซึ่งขึ้นมาอยู่บนเวทีแล้วจึงปราดเข้าไปคว้าคอเสื้อเจ้าคนหนึ่งถามด้วยเสียงดุดันว่าจะลงไปเองหรือจะให้ช่วยเตะส่งลงไปเจ้าหมอนั่นทำหน้าเลิกลักมองสบตาหนุ่มน้อยยิ่งรู้สึกกลัวหากใจนักเลงก็คิดว่าเพื่อนอีกสองคนคงจะช่วยจึงออกคำสั่งเสียงอ้ออแอแว่าเออแองสองคนรุมมันเลย เจ้าหนุ่มสองคนเห็นท่าทางเอาเรื่องของอีกฝ่ายจึงบอกเพื่อนว่าตัวใครจดมันว้อยค่ะไว้ละว่าแล้วก็พากันเดินดุมๆลงเวทีไปไม่มีอาการของคนเมาหลงเหลืออยู่เห็นเพื่อนทิ้งไปคนถูกจับคอเสื้อก็หายเมาอีกคนยกมือไหว้ปลกปลกพลางว่าพี่ชายอย่าทำก่าเลยกรวัวจะจ่ายอมลดตัวลงเป็นน้องชายทั้งที่ตัวเองน่าแก่กว่า แล้วอย่ามาให้เห็นหน้าอีกนะหนุ่มน้อยค่สซำทับกรับผมปล่อยผมไปเถอะขี้เมารับคำพลางขอร้องเมื่อคุณเจริญปล่อยให้เป็นอิสระคนทำตัวเป็นนักเลงก็เดินจำอ้าวลงเวทีไปนึกโกรธเพื่อนสองคนที่ไม่ยอมช่วยตารังผู้เป็นหัวหน้าวงถึงกับออกมาขอบอกขอบใจหนุ่มน้อย ตัวเขารู้สึกไม่พอใจที่เม่ากลุ่มนี้มานานแต่ในฐานะหัวหน้าวงจึงไม่กล้าทำอะไรลงไปกลัวเสียลูกค้าประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งก็ไม่ต้องการเกาะศัตรูเพราะอาชีพนี้จะมีศัตรูไม่ได้น้องชายอยากจะเต้นจังหวะอะไรดีเขาถามความประสงค์เพื่อจะเอาใจหนุ่มน้อยคุณปฐมอยากเต้นจังหวะอะไรครับ สำหรับตัวเขาจังหวะอะไรก็เต้นไม่เป็นทั้งนั้นด้วยไม่ชอบวัฒนธรรมแบบฝรัง่งแต่ถ้าเป็นรำไทยเช่นรำกลองยาวหรือลิเกเข้าถนัดนะเอาจังหวะของก้าดีไม่ครับคุณประพ์คุณปรฐมถามคุณประพ์อีกต่อหนึ่งดีเหมือนกันคุณเจริญจึงหันไปบอกตาราัา่งว่าขอจังหวะของก้าก็แล้วกันนะครับ ชายไวกลางคนจึงหันไปบอกคนร้องและกลองเชียร์ว่ารอบนี้ขอจังหวะคงก็สิ้นเสียงสั่งของหัวหน้าวงกองเชียร์ซึ่งประกอบด้วยนักร้องและนักดนตรีก็ทำหน้าที่นักร้องนั้นออกจะเหนื่อยหน่อยเพราะต้องใช้เสียงแข่งกับวงอื่นโดยเฉพาะโคศกรถไต่ถังที่ประชันกันอยู่เครื่องดนตรีที่ใช้กับรำวงมีเพียงสามชิ้นได้แก่กลอง แอคอเดียนและแทมโบรินสองอย่างหลังนี้เป็นเครื่องดนตรีฝรัง่งที่กำลังอยู่ในสมัยนิยมขณะที่นักร้องกับนักดนตรีกำลังทำหน้าที่คนสิบสองคู่บนเวทีก็เต้นกันไปตามจังหวะเพลงคุณเจริญถนัดแต่รำหากไม่ชอบเต้นจึงถือโอกาสเดินคุยกันไปกับสาวรำมงกระทั่งเสียงนกหวีดดังขึ้นอีกครั้ง พวกหนุ่มน้อยและหนุ่มใหญ่จึงพากันเดินลงเวทีหนุ่มน้อยสี่คนพากันเดินไปที่เวทีรถไต่ถังคุณเจริญจัดการซื้อตั๋วสีใบดังที่พูดไว้รอจนคนดูรอบก่อนหน้าลงมากันแล้วจึงพากันขึ้นไปยังเวทีซึ่งสูงเทียมหลังคาบ้านคนดูยืนรอบๆขอบถัง ซึ่งทำด้วยไม้ต่อกันเป็นรูปวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณห้าวาหนุ่มที่ขี่รถเครื่องจะใช้ความเร็วของรถวนรอบถังไม้โดยไม่ตกลงมาส่วนคนดูต้องคอยระวังไม่ชะงกหน้าลงไปใกล้จนเกิดอันตรายจากการถูกรถเครื่องเฉียว น, าน่าคุณสำนวนนี่นะคนกันเชียงพูดเสียงดัง พลางชี้ไปที่หนุ่มขี่รถไต่ถังมีสาวน้อยนุ่งกางเกงขาสั้นจูซ้อนท้ายเพื่อนคุณหรือคุณประพ์ถามก็ไม่เชิงเพ่งตารู้จักกันเขาเป็นลูกศิษย์วัดสาเกตเช่นเดียวกับผมอยู่กุฏิพระรงข้ามกับกุฏิหลวงลงุงทำไมมาขี่รถเครึ่องไต่ถังหรือว่าไม่ดีเรียนหนังสือคุณจเจริญถาม เรียนครับเขาเรียนช่างศิลป์ปีสุดท้ายวาดรูปเก่งมากแถมกี่รถเครื่องไต่ถังได้อีกด้วยผมชักสนใจสเสีล่าสิแปลว่าคุณจะเล่นเพื่อนอย่างนั้นหรือคุณปฐมสงสัยคณปฐมก็คิดอกุศลไปได้ผมเพียงแต่สนใจอยากขี่รถเครื่องไต่ถังอย่างเขาบ้างเท่านั้นคุณจเจริญว่าดีไหม เขาขอความเห็นคนบ้านเดียวกันดีครับผมเองก็สนใจถ้าคุณหัดจากเขาเป็นแล้วอย่าลืมมาหัดให้ผมบ้างคุณเจริญเตรียมฝากเนื้อฝากตัวผมว่ามันเสี่ยงนะเกิดพลาดตกลงมาขอหักตายมันไม่คุ้มกว่าพ่อแม่จะเลี้ยงมาโตเท่านี้หมดข้าวไปตั้งหลายกระสอบคุณปฐมไม่เห็นด้วยผมก็คิดแบบเดียวกับคุณปฐม เกิดผมเป็นอะไรไปคนที่จะเสียใจมากที่สุดก็คือคุณแม่เพราะผมเป็นลูกคนเดียวของท่านนอกจากนี้ผมยังมีคุณตาคุณยายที่รักและห่วงใยผมมากคุณประพ์เห็นด้วยกับคุณปถมแต่ผมว่ามันขึ้นอยู่กับโชคชะตาต่างหากถ้าเราจะต้องตายจะขี่รถไตยทังหรือไม่ก็ต้องตายจนได้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 เมื่อสองยามล่วงไปแล้วคุณเจริญกับคุณกัญเชียงฝันถึงการเป็นแชมป์ขี่รถเครื่องใต่ทังขณะที่คุณประพศกับคุณปถมฝันหวานถึงสาวน้อยคณะระบำตารังรุ่งเช้าคุณกัญเชียงกับคุณปถมตามพระมหาแพ้วไปบินทบาทส่วนคุณเจริญกับคุณประพศลาท่านกลับบ้าน อยู่ทานข้าวเช้าก่อนกอยกลับภิกษุวัยห้าสิบเศษชวนไม่เป็นไรครับขอบพระคุณผมเกรงคุณปู่คุณย่าจะเป็นห่วงครับหนุ่มเจริญกราบเรียนตาเจนนันก็รีบไปกันเถอะท่านกล่าวอนุญาตหนุ่มน้อยทั้งสองกราบเป็นจังค่าประดิษฐ์สามครั้งแล้วจึงลุกออกมา จากนั้นภิกษุวยัยห้าสิบเศษจึงออกไปโปรดสัตว์โดยมีหนุ่มน้อยสองคนหิ้วบิณโตเดินตามหลังคุณเจริญกับคุณประพ์ในชุดนักเรียนพากันเดินจากวัดสะเกตมาอย่างท่าเรือสะพานพุทธผู้คนพากันมองด้วยความแปลกใจที่เห็นคนแต่งชุดนักเรียนในวันโกนซึ่งโรงเรียนปิดสองหนุ่มรู้สึกร้อนๆ น, นหนาวที่ถูกมอง คุณประพน์ปรับทุกกับคุณเจริญว่าคนเขาก็เลยรู้ว่าเมื่อวานเราสองคนไม่ได้กลับบ้านรู้กดช่างเขาถึกครับถึงอย่างไงเราก็ไม่ได้ไปขอข้าวเขากินขออย่างเดียวอยให้ถูกตํารวจจับก็แล้วกันไม่เช่นนั้นคุณปู่กับคุณย่าจะต้องเดือดร้อนไปกับเราด้วยหนุ่มน้อยพูดห ว, ดวาดหวาดได้ยินเขาพูดกันว่าเด็กที่หนีโรงเรียนไปเที่ยว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 เขาจะมาอยู่กับพ่อประพ์และแม่สายใจทีเน่คุณประพ์ตกใจนิดหนึ่งนิดเดียวเท่านั้นเขาคลานเขาเ้าไปกระะผู้บังเกิดกล้าวใจนั้นไม่ยินดียินร้ายที่ได้พบเมื่อก่อนเขาโหยหาบิดาอยากมีพ่อเชกเช่นเด็กอื่นแต่เมื่อมีคุณเจริญมาอยู่ด้วยเขากลับมีความรู้สึกว่ามีพ่อหรือไม่มี ก็ไม่เห็นจะแตกต่างกันที่ตรงไหนหนุ่มน้อยคิดไปไกลถึงขนาดว่าหากต้องเลือกระหว่างบิดากับคุณเจริญเขาก็จะเลือกคุณเจริญพอเจริญไหวคุณลุงเขาเสียสินี่แหละพอเปยมสามีแม่สายใจก็หละคุณหลวงบอกหลานชายหนุ่มน้อยจึงกระพุ่มมือไหวบิดาของญาติผู้พี่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 ที่ให้คาถานี้กับผม